อระหังสัมมาสัมพุทโธพคะขาวผู้ทังพระขวัญทังอภิวาเทมิสวากาโตพระวตตาโมทามังนมะสา สุพัติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโกสังฆนามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมปุทสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อะรหะโกสัมมาสัมพุทสานามัสสภคะวโตอะระหะโกสัมมาสัมพุทสาอิติปิโสภควะอระหัสัมมาสัมพุนโต เวจจาระนาสัมปันโนสุขโตโลภวิถุหาโนตโรปุริสดามะสารติเทวมนุสานังพุทโธภาคาติ สวาาโตภะควะตาดโมสันิทติโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายโกปจตังเวทิทาโพวินโยหิต สุปาติปันโนภคาวโตสาวกสังโกรชุปาิปันโนภคาวโตสาวกสังโยายาปิปันโนภคาวโตสาวกสังโก สามีที่ปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆญาทิทางจัตตาริภุริสายุคานิอาภุริสปุคะเอสสักาวะโตสาวกสังโฆ อาหูเนโยปาหูเนโยทากิเนโยอันชาริคารณินโยอนุตตรังปุญญาเกตังโลกัสสตตินธิเมสรานงอันยัง โพธเมสารนังวะรังเอเตนะสัจวัชเชนะวัดเทอยังสัตุสาสเนนาทิเมสารนังอันยังธัรมโมเมสารนังวะรัง เอเตนะสัจจวัชเนะวัดเถอยังสัทตุศาสนนาทิเมสารนังอันยังสังโฆเมสารนังวารังเอเตนะสัจจวัชเนะ วัดเถอยังสาธุศาสนากียรนวาจายวเจตสาวาผูเทกุกรรมมายายผูโทปติการหาตัวใจยานตังการันตระเรจังวริตุงวาผูเท กายเยนาวะจาย a วะเจตสาวาธรมเอกุกรรมังปะตังไมยะยัมธรรมโมปะิคันหาตุอาจายันตังการันตเรสริตุงวะธรรมเอกายนาวะจายาวะเจตสาวา สังเคปุคำมังประกาศทงไมยาย่างสังโคปฏิการหาตุอจายันต์งสังวาริตุงวาสังเค ในโอกาสนี้นะคะซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่พวกเราทั้งหลายได้มารวมกันณนที่นี่เป็นโอกาสแห่งการฟังธรรมในการเจริญธรรมเพื่อทำให้ยิ่งในด้านศีลสมาธิและปัญญาอันเนื่องมาจากการเจริญกุศลธรรมทั้งปวงขาดไม่ได้ในแง่ของสุดตะคือการศึกษาขาดขาดไม่ได้ในแง่ของการเจริญวิริยะดังนั้นวันนี้พระคุณเจ้า ท่านพระอาจารย์สมทบปารกกโมได้โปรดพวกเราโดยการที่จะมาแสดงธรรมในหัวข้ออธิษฐานปัญญาบา ร, รมีขอกราบนมัสการท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะขอโมทนากับพวกเราเนีตั้งใจในการจักฟังพระำทำคาสอนของพุทธเจ้ากันพรุทธเจ้าสร้างบารมีมาในพระชาติต่างๆถ้าเราสืบค้นในคําสอนของพพุทธเจ้าเนี่ย 547ชาติหรือ550ชาติที่กล่าวไว้ในว่าะไตรปิฎกที่สื่อคลอนกันไปสื่อคลอนกันมาก็เจอแต่ละพระชาติแต่ละพระชาติที่พระองค์ทรงบงําเพ็ญบารมีมานั้นน่ะยาวไกลมากทรงสั่งสมมาอย่างยาวไกลและก็สั่งสมมาอย่างยาวนานในสังสารวัฏฉะนั้นแต่เรามองดูแต่ละพระชาติที่พระองค์ทรงบำเพ็ญอย่างนั้นเขาเรียกว่าปุพพจริยา เป็นพระจริยาคุณซึ่งทรงบำเพ็ญทานบารมีศีลบารมีเนคขมาบารมีปัญญาบารมีวิริยบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีและทิฐานบารมีตลอดถึงอุเบขาแล้วก็เมตตาแล้วก็เบคาบารมีรวมเบ็ดเสร็จเป็นอุปบารมีสิบบารมัทธบารมีอีกสิบรวมเป็นบารมี30ทัศนที่บำเพ็ญมาอย่างยาวไกลในสังสารวัตรที่นี้ในการบำเพ็ญมาอย่างยาวไกลในสังสารวัตเนี่ยนั่นคือการ ทำอุปการะแก่ผู้อื่นกิจจาราจะก็คือว่าหน้าที่มีกายกรรมก็ทําเอากายกรรมนั้นไปทํากิจให้กับบุคคลอื่นเพื่อจะช่วยสัตว์คนสัตว์ลื้อออกจากสังสารวัตรแม้ว่จีกรรมก็คือบอกกล่าวแล้วก็แนะนําท่าสอนพระประจ่าไม่ใช่พึ่งพท่มสอนในภพชาติสุดท้ายนี้เท่านั้นนะท่ำสอนมาทุกชาติจะทําให้ดูทุกภพทุกชาติ แล้วก็จิตที่คิดจากอนุเคราะห์บุคคลอื่นนัมาทุกภบทุกชาตินั่นคือพระอัจฉริยที่ฝังแน่นไว้ในกำมลและจิตใจของพระองค์เนี่ยถามว่าการที่จะสั่งสมอัจฉริยะใจนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันยกตัวยอย่างเช่นฝังอัจฉริยะใสาทานบารมีเนี่ยประชุมลงในกระแสของชีวิตจนการคิดทุกอย่างเป็นทานบารมีได้ ฝังอัธยาศัยทุกอย่างเป็นศีลบา ร, รมี <c oughs> เป็นเนกขม้า <c oughs> เป็นปัญญา <c oughs> เป็นวิริยะเป็นคันติสัจจานี่คือประชมจนเป็นว่ากายกรรมวจีกรรมโดยเฉพาะมโนกรรมของตนเองนั้นเน่ยเป็นส่วนหนึ่งของบา ร, รมีเหล่านั้นทั้งหมดหรือเป็นทั้งหมดเนี่ยเป็นทั้งหมดของบา ร, รมีเหล่านั้นหมดเลยซึ่งไม่ใช่ง่ายเหมือนเราจะพูดกันในเรื่องของทานนะบา ร, รมีเรือทา น, นกุศลใช่ไหมเราจะประชมเจตานาทานอโลภาทาน แล้วก็วิรติทานทั้งหลายเนี่ยประชมุมลงในชีวิตของเราให้เป็นทั้งหมดของชีวิตได้ยังไงไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะเป็นทั้งหมดของชีวิตหรือเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลอวิติกรมศีนเนี่ยประชมุมเป็นทั้งหมดของชีวิตเมื่อกายได้เคลื่อนไหวก็เป็นทานกุศลเป็นศีลกุศลได้เมื่อวาจาได้เคลื่อนไหวก็เป็นทานกุศลเป็นศีลกุศล แม้ใจที่คิดทุกอ น, นูของความคิดก็เป็นไปกับทา น, นกุศลศีลกุศลและภาวนากุศลถามว่าใครน้อที่จะสามารถประชุมความคิดทุกความคิดเนี่ยลงไปในกระแสจิตใจของตอนเองอย่างมุ่งมั่นว่าบารมีธรรมก็เป็นทั้งหมดของชีวิตประชุมบารมีธรรมเป็นทั้งหมดของชีวิตนั้นทุกอย่างก้าวทุกคําพูดทุกความคิดจึงเป็นไปกับการเพื่อจะคิดอนุเคราะห์บุคคลอื่น แล้วก็จะทําการอนุเคราะห์อุปการะแก่บุคคลอื่นเป็นกิจและในขณะเดียวกันเมื่อตอนเองดําเนินหรือเดินทุกย่างก้าวทุกคําพูดและทุกความคิดที่เดินฝ่าฟันอุปสรรคนานับประการนั้นก็มีอุปสรรคต่างๆมากระทบกระทั่งแรงบ้างมากบ้างน้อยบ้างแต่สี่สุดก็คือยิ่งแรงขึ้นแรงขึ้นบุคคลที่มีบรารมีมากขึ้นก็จะเจออุปสรรคมากขึ้นมากขึ้นเพื่อสามารถที่จะ ต่อต้านกันได้หรือว่าสามารถที่จะข่มทําที่เป็นปฏิปักษกันได้ถามบอกว่าก็มีความไม่หวั่นไหวเช่นถ้าจักเจริญทานบา ร, รมีเนี่ยจักไม่หวั่นไหวยังไงเมื่อให้ทานเพราะเมื่อให้ทานไปแล้วเนี่ยของที่ให้มันก็หมดไปหมดไปแต่ของที่หมดไปหมดไปแล้วเราจะไม่ท้อได้ยังไงเมื่อของนั้นให้ถามว่าอะไรหนอเป็นปัจจัยทําให้ท่านฝังอัธยาศัยอย่างมุ่งมั่นเพราะปัญญา ถ้าท่านเหล่านั้นไม่มีปัญญาแล้วเนะี่ยท่านจะกล้าให้อย่างนั้นได้อย่างไรท่านมีปัญญาอย่างแข็งแรงมีปัญญาที่มีการพอกคูณมาอย่างดีแล้วมีการรู้สภาพตามความเป็นจริงชัดแล้วว่ากรรมสกตาปัญญาของท่านท่านรู้เหตุแล้วก็รู้ผลรู้ว่าทำไมท่านจึงต้องประกอบเหตุแบบนี้เพราะปัญญาขจัดความมืดในใจของท่านได้ฉะนั้นการที่ท่านฝังอัธยาสายคือปัญญาที่ฐานัางเนี่ย ประชมไว้ในกระแสของความคิดอย่างมุ่งมั่นแล้วไม่ยอมถอนไม่ยอมถอนความตั้งใจด้วยเพราะมีปัญญาที่เข้าไปรู้ตามความเป็นจริงว่าถ้าวันนี้ตนเองหวั่นไหวต่ออุปสรรคนานาประการที่มันโถมมาโทษทิศอุปสรรคนานาประการเนี่ยมันโถมเข้ามาหมดนะทุกทิศมันโถมมาหมดใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นทิศเหนือใต้ตะวันออกตะวันตกอนุทิศอีกใส่ทิศเป็นแปดทิศทิศเบื้องล่างและทิศเบื้องบน ล้วนแต่เป็นอุปสรรคปัญหาทั้งนั้นที่โถมเข้ามาในกระแสชีวิตถ้าหากหวั่นไหวบารมีสั่นคลอนความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็บรรลุไม่ได้ฉะนั้นท่านจะทำอย่างไรที่จะสามารถเพิ่มกำลังใจให้มีความมุ่งมั่นไม่ท้อถอยในขณะที่ตนเองต้องประสบกับอุปสรรคนานะประการถามว่าทำไมถึงกล้าลุกมาฝ่าฟันอุปสรรคอย่างนั้น พ่อมีความคิดที่จะอนุเคราะห์ผู้อื่นเพราะจิตที่คิดจะอนุเคราะห์ผู้อื่นว่าบุรุษเช่นเราเนี่ยเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้มีวิรยิยะเป็นผู้มีความอดทนมากฉะนั้นถ้าคนเช่นเราไม่คิดในการที่จะขนสัตว์หรือสัตว์ออกจากสังสารวัตรแล้วแล้วใครจะคิดเพราะท่านคิดอย่างนี้เบียดเสร็จแล้วท่านก็เห็นเหตุและเห็นผลฉะนั้นมีความไม่หวั่นไหวเป็นจิตด้วยฉะนั้นในขณะที่กระทำการงานไปในการที่จะบําเพ็ญบารมีไปนะ ยกตัวอย่างเช่นตอนที่พระโพธิสัตว์เนี่ยเป็นวิสัยหาบัณฑิตใช่ไหมหรือบบเป็นวิสัยหาเศรษฐีเนี่ยท่านเป็นเศรษฐีมีทรัพย์อยู่แปดสิบโกดในขณะที่ท่านมีอยู่80โกดท่านก็เริ่มคิดในการที่จะบริจาคทานของท่านท่านก็เริ่มตั้งลงทาน6แหง่งตั้งในเมือง4ี่แหง่งแล้วก็ข้างนอกอีกในตั้งสประตูเมืองอีก4ี่แห่งก็ข้างในอีกสองแหง่งพอท่านตั้งอย่างนี้เบดเสร็จท่านก็มานั่งคิด ท่านก็นมาคิดแล้วก็บริจาคเราจะบริจาคเท่าไหร่ก็โลร ะ, ะดมละบริจาคทานเนี่ยวันละ 0,000 นในขณะที่บริจาคทานวันละ0 0 0สนโหลแสนนั้นเล่นชมพูทวีปนั้นไม่โดยสํานวนท่านใช้คําว่ายกงอนไถทั้งชมพูทวีปแปลว่าประชาชนในชมพูทวีปไม่ท้องทํากสิกรรมโครกรรมพาณิชยกรรมไม่ต้องทําไรไถนาเลยอยู่ได้ด้วยทานากุศลทานบาสมีของวิสัยหาเศรษฐีเลย ให้ทานขนาดไหนในขนาดเดียวกันก็ไม่ยอมหยุดแล้วก็ทําธุรกิจไปด้วยก็ร ะ, ะดมทานนาคุสนไปด้วยพอระดมไประดมไปนี่มันเรื่องปัญญามันเรื่องความเข้าใจนะคนที่จะกล้าทําในขนาดนั้นเพราะท่านเห็นเหตุที่ท่านฝังลงในกระแสของจิตใจเมื่อท่านระดมให้อย่างต่อเนื่องเบ็ดเสร็จเนี่ยให้ไปให้มานิสุจริงๆด้วยความวิทานนุศลของท่านรุนแรงมากเจตนาทานของท่านรุนแรงมากอะโลพาทา น, นคือความไม่โลภความตั้งใจของท่านก็รุนแรง เจตานาในเวลากระตุ้นนามธทําที man, ation, to ่เป <buscar S 2> like. ็นกุศลกระตุ้นศรัทธาให้มีกําลังกระตุ้นวิริยะให้มีกําลังยังไงกระตุ้นเตือนชักนำศรัทธาคือความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในสัมมาสัมปวิยาณกระตุ้นเตือนวิริยะในการเพียรพยายามในการประคับประคองกุศลให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกระตุ้นเตือนสติให้มีการระลึกมั่นอยู่ในทานในกุศลระลึกอยู่กับความดีหนึ่งรักษาจิตของตนเองให้อยู่กับกุศลให้อยู่กับความดี สรักษาทานกุศลของตนเองที่ระลึกอย่างต่อเนื่องสมาธิก็มีความตั้งมั่นปัญญาก็รอบรู้ว่าเขตที่ต้องระดมขนาดนี้เพราะเป้าหมายสูงสุดคือสัมมาสัมโพธิ์ยะพอระดมความคิดไปในลักษณะอย่างนี้มากขึ้นมากขึ้นตัวเจตนาที่มีกําลังมากขึ้นก็กระตุ้นเตือนนามธรรมา ท, ที่มีกําลังมากขึ้นเมื่อสภาพธรรมที่มีกําลังมากขึ้นในกระแสจิตใจก็ระดมไปด้วยบุญของท่านเนี่ยระดมระดมไปร้อนถึงเท้าสกั ถ้าสกะเริ่มบอลลังเริ่มร้อนแล้วบ้างพิจารณาอะไรเนาะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ตนเองกังวลกังวายพอมองมาด้วยดีบุญของตนเองก็เห็นโอ้โหท่านวิสัยหาเศรษฐีนี่ทําบุญขนาดหนักไม่ได้เรื่องแล้วอย่างเงี้ยเล่นบอลลังของเรานี่ร้อนแล้วอย่างนี้เราเดือดร้อนแน่ถ้าแสดงให้เห็นชัดว่าวิสัยหาเศรษฐีคงจะปรารถนาสกะสมบัติเป็นแน่แท้ถ้าอย่างนั้นคนมีบุญมาเราต้องเคลื่อนจาก บัลลังก์ปัญนทุกกรรมพลศิลาอาร์เนี่ยอยากกันนั้นเลยเราจะต้องทาให้ทราบของท่านพุนิวิบัติไปให้ได้ถ้าขืนไม่ทำอะไรเนี่ยชีวิตเราวิบัติแน่ไอ้อิสามัฉ ร, ริยะก็เกิดขึ้นทำอิสาคือเห็นอนาคตของท่านวิสัยหาจากได้ดิบได้ดีแล้วก็เกิดอิจฉามากได้ความที่ปัญญาก็ดับเวลาอากุศลธรรมเกิดขึ้นในกระแสจิตของท่านพุใดเนี่ยปัญญามันจะดับ ให้ปัญญามันจะดับเราท่านทั้งหลายต้องระวังนะเวลาบาปอกุศลธรรมอลามกมันประชุมในกระแสชีวิตเราวันไหนเนี่ยวันนั้นปัญญามันก็ดับแต่สภาพความคิดความความเข้าใจมันมีอยู่เนีเช่นเราสามารถจะคิดเบียดเบียนคนอื่นก็ได้คิดรังแกคนอื่นก็ได้มันไม่ใช่ปัญญาเนียไอตัวนั้นมันไม่ใช่ปัญญามันเป็นมิจฉายานะมันเป็นการรู้ที่ผิดมันเป็นการกระทําที่ผิดมันเป็นการเข้าใจผิดในกระแสของชีวิต สำคัญว่ามันเป็นปัญญาบอกว่าไม่ได้เรื่องแล้วถ้าท่านผู้นี้เขินระดมบารมีอย่างนี้บัลลังก์เราพังแน่นอนอยากกันนั้นเลยอิจฉาขึ้นมาแล้วเพราะอิจฉาเบเสร็จก็บอกว่าถ้าเขาจะได้ดีกว่าเราประการที่สองมัชชริยะห่วงบัลลังก์ห่วงบัลลังก์องงของตอนเองห่วงบริวารของตอนเองห่วงทรัพย์ของตอนเองเห็นไหมคนเรามันติดอยู่ที่ไหนหนึ่งติดอยู่ที่เกียรติยศเหนมเกียรติยศก็คือยศ คือชื่อเสียงเจตคุณทั้งหลายเจติยศทั้งหลายสองบริวารยศยศคือบริวารทั้งหลายก็ไม่อยากเสียบริวารประการต่อมาคืออิสริยยศยศคือความเป็นใหญ่ความเป็นพระราชาประจําแห่งแห่งดาวดึงใช่ไหตนเองไม่อยากเสียความเป็นใหญ่ไม่อยากเสียอิสริยยศไม่อยากเสียบริวารยศไม่อยากเสียกิติยศทั้งหลายเหล่านี้เจตคุณทั้งหลายเหล่านี้ที่สุดจริงๆก็เนรมิตเลย ก็เนรมิตให้ทรัพย์สมบัติของวิสัยหาเศรษฐีอันดรบธานแล้วก็ธาตุบริวารทั้งหลายหายเกลี้ยงเลยรุ่งขึ้นมาอีกวันวิสัยหาเศรษฐีตื่นมาคนงานก็มาบอกว่าหมดแล้วของที่จะแจกลงทานทั้งหกแห่งก็หมดท่านวิสัยหาเศรษฐีก็ให้ภรรยาดูในบ้านไม่มีเหลือเพรงั้นเปิดเรือนคังดูที่ดูรัตน์ต่างๆที่เก็บไว้ก็าหายเกลี้ยง ไปไปมามาท่านบอกว่าบอกภรรยาอีกบอกบอกว่าน้องหญิงบอกแม่เจ้าจงไปดูรายละเอียดตรวจทุกซอกทุกมุมมีอะไรที่จะให้ไหมไปดูเบ็ดเสร็จมีแต่ที่โล่งเปล่าไม่มีอะไรที่จะแจกทานใจท่านการะลึกถึงทานกุศลบอกไม่ได้เราจะให้ทานเราหยุดขาดการขาดการให้ติดต่อไม่ได้เราจะต้องให้แบบติดต่อให้อย่างต่อเนื่องให้สม่ําเสมอให้เป็นอัตยาศัยเราหยุดการระลึกการให้ทานไม่ได้เพราะทานเป็นทั้งหมดของชีวิตเรา เราหยุดไม่ได้ทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลเนี่ยสรุปก็คือบรารมีสิประการมันเป็นทั้งหมดของชีวิตเราถ้าสิ่งเหล่านี้ทําไม่ได้ชีวิตมันก็อยู่ไม่ได้ไม่จะอยู่ทําไมความที่คนจะเข้าใจได้ขนาดนี้นะ่ยนั่นคือปัญญาล้วนๆ น, นะถ้าไม่มีปัญญาเนี่ยเขาจะเข้าใจอย่างนี้ได้อย่างไรเพราะความเข้าใจบอกถ้าไม่ได้เดินทานกุศลศีลกุศลไม่ประชมคุณธรรมเหล่านี้เป็นต้น ประชมไว้ในกระแสชีวิตชีวิตมันอยู่ไม่ได้ดังนั้นถามบอกว่าทรัพย์สมบัติวิบัติมันไม่เป็นไรใช่ไหมทรัพย์สมบัติภายนอกวิบัติไม่เป็นไรแต่ทรัพย์ภายในคือศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาไม่ควรให้หายไปจากกระแสของความคิดอย่างเด็ดขาดท่านก็บอกไปตรวจ ด, ดูทีภรรยาก็ไปตรวจ ด, ดูก็บอกเห็นอยู่3มชิ้นเองถามบอกไม่รู้ใครมาทิ้งไว้อะไรบ้างบอกว่าเห็นไม่คานอยู่อันนึง เห็นเคียวอยู่เล่มนึงแล้วก็เห็นเชือกอยู่เส้นหนึง่งเห็นแค่นี้ท่านก็บอกว่านั้นน่ะเราได้มุมแล้วบอกว่าเราจะต้องไปเกี่ยวหญา้าแล้วเอาย้าไปขายแล้วก็ได้เงินมาเราจะมาเจริญฐานในกุศลภรรยาก็บอกว่าท่านเนี่ยเป็นสุขุมอราชชาในชีวิตเนี่ยทาธุรกิจไม่เคยเกี่ยวหญ้าขายเนยบอกนี่ไงบอกว่าชีละ กำลังเรายังมีความคิดเรายังมีสติปัญญาเรายังมีฉะนั้นเราจะหยุดทานกุศลไม่ได้ท่านก็จูงแขนภรรยาเข้าใช่ไหมเข้าไปในดงหญ้าเดินทางออกไปก็ไปเกี่ยวหญ้าเกี่ยวหญ้าก็ทําเป็นฟ่อนใหญ่ๆแล้วก็มัดแล้วก็ใช้ไม้ไม้หาบหญ้าเสียบซ้ายขวาแล้วก็หาบมาดําริในใจว่าเราจะต้องทําอย่างนี้ตลอดไปฉะนั้นส่วนหนึ่งของหญ้าเราจะขายเอาไว้กินสองภรรยา ส่วนหนึ่งก็จะเอาไปแจกฐานนี้ปัญญาที่เกิดความเข้าใจเห็นไหมว่าเราดมที่มีความเข้าใจเหตุเข้าใจผลชัดเจนว่าเราหยุดไม่ได้ถ้าหยุดทา น, นกุศลก็คือหยุดเส้นทางการเดินของพระพุทธเจ้างพระั้นพระพุทธเจ้าพระปเจบริเจ้ า, จาสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านบอกเส้นทางนี้ไว้ว่าปรารถนาจะเป็นปัจจัยหรือจะดำเนินกุศลเพื่อเป็นปัจจัยแก่ความพ้นทุกขนะ์น่ยหยุดไม่ได้หยุดในการบําเพ็ญทานกุศลไม่ได้ ทีนี้ท่านก็ไปทํำพอเกี่ยวเป็เสร็จท่านก็มาเอาเอาเอาไปขายขายไปเสร็จได้เงินมาก็ไปแจกได้ทรัพย์มาก็ไปแจกไปไปช่วยคนอื่นเขาทีนี้คนขอมันเยอะแต่ของมันมีน้อยท่านก็มาดําหลีว่าไม่เป็นไรเราอยากให้คนที่มาได้ผิดหวังเลยฉะนั้นเรายอมอดได้ก็ปรึกษากับภรรยาเบ็เสร็จก็ ยอมอดอาหารกันแล้วก็ยอมทําอย่างนั้นวันที่หนึ่งก็แล้ววันที่สองก็แล้วทั้งๆ ท, ท, ที่ทํามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยนะแต่ที่สุดจริงๆไอ้คนต้องการมันก็เยอะใช่ไหมล่ะ ว, วันที่สี่วันที่ห้าถึงวันที่6ท่านก็เกี่ยวหญ้าไม่ได้กินข้าวกันได้อยู่ด้วยปีติเป็นพักสาหารเนี่ยไปๆมาพอเข้าวันที่7็เนี่ยผลปรากฏพอแสงตะวันมันขึ้นพออาทิตย์ขึ้นเนี่ยพอท่านกระทบแสงแดดหน้าท่านก็มืด เกี่ยวหญ้าได้ครึ่งเดียวท่านก็นล้มตูมลงไปล้มตูมไปก็ไปพาดกับหญ้านั้นท่านก็มองตอนนั้นเท้าสกะก็โอ้นี่ได้การแล้วเท้าสกะก็ลงมาฉะนั้นพอเท้าสกะลงมาเบเสร็จปุ๊บเท้าสกะก็มายืนอยู่แล้วก็มาตำหนิเลยบอกว่าท่านวิสัยหาเศรษฐีการที่ท่านยากจนทุกวันนี้เพราะการให้ของท่านฉะนั้น ท่านจะไปทําทําไมเมื่อทําแล้วตนเองต้องวิบัติและต้องมีการยากจนลงแล้วก็อยู่ในสภาพเช่นเนี้จากการเป็นมหาเศรษฐีใหญ่กลายมาเป็นประดุจดังดังขอทานเนี่ยท่านทําทําไมฉะนั้นถ้าท่านหยุดให้ทานวันนี้หรือต่อไปนี้ท่านหยุดให้ทานเนี่ยทรัพย์สมบัติของท่านจะจะมาอยู่ดํารงอยู่เป็นปกติพอ ท้าสกะพูดอย่างนั้นท่านก็เงยหน้าขึ้นท่านรู้สึกตัวท่านก็ถามบอกว่าถามหน่อยว่าท่านเป็นใครเท้าสกาบอกเรานี่มีน้ำว่าเท้าสกะทีนี้พอบอกว่าเป็นเท้าสกะพระโพธิสัตว์ก็ถามทันทีบอกว่าดูก่อนเท้าสกะการที่ท่านเป็นเท้าสกะมาได้เนี่ ย, ม า, ย, า ม, ย, าายมาด้วยทานกุศลใช่ไหมฉะนั้นการเป็นเท้าสกะได้เนี่ยมาด้วยทานกุศลใช่หรือไม่ ฉะนั้นเมื่อเป็นเท้าสก่าเนี่ยท่านมาด้วยด้วยทานกุศลมาด้วยทานกุศลและการเป็นเท้าสก่าเนี่ยมาได้ด้วยศีลกุศลและการเป็นเท้าสก่าเนี่ยท่านมาด้วยอุโบสถกรรมใช่ไหมกใช่<ๆ>แล้วมาิจากมาจะเป็นเท้าสกะได้มาด้วยวัดตบทเจประการมีการดูแลมารดาบิดาเป็นต้นใช่ไหมแล้วการกระทําที่ท่านบอกให้เราเนี่ยเลิกการให้ทานเนี่ยเ ล, ลิกการรักษาศีลเลิกการเจริญภาวนาเป็นต้นเหล่านี้เนี่ย การที่ท่านมาบอกแบบนี้เนี่ยท่านไปนตัดขนทางตัดช่องทางของพระอริยะเจ้าทั้งหลายมีพุทธเจ้าเป็นต้นนะแล้วทำไมท่านบอกเขตไม่ตรงกับผลเนี่ยก็ท่านเองเป็นเท้าสก่าได้ท่านก็เป็นไปจากการให้ทานรักษาศีลแล้วก็เจริญภาวนาหรือบำเพ็ญวัตบทแต่ท่านมาบอกให้เราหยุดให้ทานเนี่ยฉะนั้นคําพูดของท่านน่ะเป็นการหักกรานชินาจักรของพระชินาเจ้าเนะ ไปคัดค้านชินจาจักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในะการกระทําของท่านจึงไม่สมควรเรานี้ถึงแม้จะมีอัตภาพเช่นนี้ถึงแม้จะมีชีวิตนะวิบัติไปนะบัตินี้แต่จะให้เราเลิกในการเดินทางในกนะุศลสี่งกุศลเราทําไม่ได้เพราะว่าทรัพย์ภายนอกจนโดยทรัพย์ท่านใช้คําว่าจงฉิบหายไปเถอะเห็น ไ, ไหมชับทรัพย์ภายนอกจงวิบัติไปเถอะ แต่เราจะทําอริยทรัพย์ภายในให้ประชมขึ้นเราจะรักษาอริยรัพย์ภายในคือศรัทธาเราจะรักษาอริยทรัพภายในคือหิริโอตปะจาคะใช่ไหมแล้วก็พูดถึงในเรื่องว่าเราจะรักษาปัญญาไว้เราจะรักษาปัญญาไว้ถ้าเราจะมีอัตภาพเช่นนี้เราก็ไม่เคยสะเทือนใจหรือไม่เคยสะทกสะทานใดๆหรือแม้ชีวิตจะต้องเสียหายไปเราก็ไม่เดือดร้อนใจเลย แต่เราจะเดือดร้อนใจมากถ้าหากวันใดวันหนึ่งนะศรัทธาเราหายไปศีลเราหายไปสุตตะการสั่งสมข้อมูลเราหายไปจาค้าคือการสละวัตถุสละกิเลสเราหายไปปัญญาคือความรู้ตามความเป็นจริงถ้าเราหลุดไปจากกระแสชีวิตวันนั้นนะ่ะการมีชีวิตอยู่จะมีประโยชน์อะไรจะมีประโยชน์อะไรฉะนั้นทรัพย์ภายนอกไม่สาคัญจะหมดไปมากกว่านี้เราก็ไม่สนุกสถานอย่างนีเทาสกะ ก, ก็ถามบอกว่านี่ถามจริงๆเด้อ ท่านมีการสมาทานอย่างตั้งมั่นปัญญาทิฏฐานนางของท่านก็มั่นคงเรื่อยใช่ไหมท่านทําไมยอมอธิฐานที่จะรักษาปัญญามากกว่าชีวิตสัจจาธิฐานนางทั้งวจีสัจจาที่ท่านเปล่งไปเพื่อจะเป็นปัจจัยแก่การพ้นทุกข์และเพื่อเป็นปัจจัยแก่ปรมัตถสัจจาคือพระนิพพานทําไมท่านรักษายิ่งกว่าชีวิต ชาคาที่ฐานนางคือการสละวัตถุเป้าหมายคือการสละกิเลสของท่านใช่ไหมทำไมท่านรักษาขนาดนี้อุปสมาทิฐานนางการตั้งอัตยาสายเพื่อจะไปสงบกิเลสและก็สงบสังขารทั้งหลายเนะี่ยทำไมท่านท่านไม่ถอนความตั้งใจทั้งๆที่ท่านทุกทรมานขนาดนี้อะไรเป็นแรงดลบรรดาลให้ท่านรักษารักษาคุณธรรมเหล่านี้ว่ายิ่งกว่าชีวิตท่านก็บอกบอกว่า สิ่งที่ข้าพเจ้าทําทั้งหมดเนี่ยข้าพเจ้าไม่ได้ไมปราถนาจักรพัทสมบัติเนี่ยข้าพเจ้าไม่ได้ปราถนาสักกาสมบัติไม่ได้ปราถนาพรหมสมบัติและไม่ได้ปรารถนาสาวกบา ร, รมีญานปเจปริยญญาด้วยทั้งหมดที่ข้าพเจ้าทํานี้สิ่งที่ปรารถนามากที่สุดคือสมมาสมุทัยพอท้าวสักกาได้ฟังอย่างนี้โ อ, โโอโ้ตายแลย้วเนี่ยเราไปขวางทางท่านผู้ใดยเขาให้แล้วบาปนะัก โอ้หท่านพู้นี้ไม่ใช่คิดแย่งชิงสมบัติของเราเลยแต่ท่านพู้นี้สิ่งที่ท่านหวังที่สุดกับสัมมาสัมโพธิญาณเป็นสมบัติอันเลิศท่านก็เลยทําทรัพย์สมบัติให้ทั้งหมดกับคืนและยังเพิ่มให้บอกโอ้ท่าอย่างนั้นท่านอย่าไปอย่าถวายทานวันละวันละหกแสนเลยขอให้ถวายทานวันละล้านสองอันนี้นี่บ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกถึงว่าเราท่านทั้งหลาย เราจะฝังคุณธรรมโดยเฉพาะก็คือฝังบา ร, รมีธรรมทั้งหลายมีฐานเป็นต้นให้เป็นทั้งหมดของชีวิตได้อย่างไรเออจะฝังอย่างไงถ้าไม่มีปัญญาไม่เข้าใจเรื่องปัญญายังไงก็ไม่กล้าฝังเพราะมันไม่เข้าใจเหตุและผลที่ชัดที่สุดจริงๆมันก็ยังบอกว่าเฮ้ยไม่ได้เราทําไม่ได้หรอกเรายังต้องมี พ่อต้องดูแลมีแม่ต้องดูแลมีลูกหลานบุตรภรรยาต่างๆต้องดูแลใช่ไหมลูกเพราะไม่เข้าใจเหตุและผลว่าทานนิศลเนะี่ยทรัพย์เป็นเพียงปัจจัยส่วนย่อยเท่านั้นเองทรับภายนอกนะแต่ความเข้าใจต่างหากที่มันเป็นปัจจัยทั้งหมดมันเป็นปัจจัยทั้งหมดฉะนั้นความไม่หวั่นไหวเป็นกิจเนะี่ยทีนี้ให้สังเกตดูว่า ในขณะที่ท่านดําเนินกิ จ, จกรรมไปในการที่จะทําทานกุศลให้ไหลขึ้นในกระแสะชีวิตอย่างแท้จริงทําศีลกุศลทําภาวนากุศลเป็นต้นหรือทําทานบา ร, รมีศีลเนคขมารปัญญาเป็นต้นให้ประชมลงในชีวิตจริงๆและเป็นทั้งหมดน่ยที่สุดจริงๆเป็นทั้งหมดของชีวิตเลยทุกความคิดเกิดขึ้นทุกขณะของชาวนะไม่มีขณะไหนเลยที่จะไม่ได้เจริญบา ร, รมีธรรมเพราะเข้าใจแล้วว่าบา ร, รมีธรรมเป็นทั้งหมดของ กระแสชีวิตเมื่อประชุมบารมีธรรมให้บริบูรณ์แล้วปรมาศนั้นท่านจึงแปลว่าเต็มไงถ้าเรายังมีความคิดที่ไม่บริบูรณ์มีความคิดที่ไม่ชัดเจนสภาพของบารมีธรรมมันเต็มไม่ได้มันเต็มไม่ได้การคิดแค่ผักดันความคิดไว้ส่วนส่วนหนึ่งกึ่งหนึ่งหรือไม่ทั้งหมด ที่สุดจริงๆก็จะไม่เข้าใจว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงบำเพ็ญบารมีหรือสาวกของพระพุทธเจ้านั้นท่านบนรรลุอะไรเพราะเราไปมีความรู้สึกว่าเราไม่กล้าสละทั้งหมดเราไม่กล้าเหตุผลที่เราไม่กล้าเนี่ยเพราะปัญญาไม่มากทำไมปัญญาถึงไม่มากเพราะการเก็บข้อมูลไม่ถึงฉะนั้นมีความไม่หวั่นไหวเป็นกิจและในขณะเดียวกันนะ มีการแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลเป็นผลปรากฏถามว่ามีความแสวงหาประโยชน์กเกื้อกูลเป็นผลปรากฏหรือมีความเป็นพระเจ้าเป็นผลเนี่ย2ส่วนเนี่ยคาว่าแสวงหาประโยชน์กเกื้อกูลเนี่ยในการแสวงหาประโยชน์กเกื้อกูลเนี่ยถามว่าเราจะให้ประโยชน์คนอื่นเราต้องมีอะไรเราต้องมีอะไรสัตว์โลกต้องการอะไร หรือประชาสัตว์ทั้งหลายเนี่ยประชากรทั้งหลายในโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกา ย, ย, ยสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกก็ดีหรือว่ามนุษย์หรือเทวดาหรือพรหมถามว่าจริงๆแล้วสัตว์เหล่านี้เขาต้องการอะไรสัตว์เหล่านี้เขาต้องการความพ้นทุกข์เขาต้องการความพ้นทุกข์แต่บริบทของความพ้นทุกข์ของสติปัญญาของคนเนี่ยมันไม่เท่ากันบางคนคิดว่าได้กินอิ่มมือหนึ่งนะ่ยเขาได้มีความสุข แต่ที่สุดจริงๆนั้นแหละคืออัธยาศัยเขาอยากจะพ้นทุกข์เมื่อคนบำเพ็ญบารมีเป็นพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือบำเพ็ญบารมีเป็นโพยสัตว์เพื่อปรารถนาเพื่อจะให้สัตว์นั้นพ้นจากวัตรทุกข์เนี่ยท่านคิดอะไรท่านคิดและท่านมีความเข้าใจว่าความเข้าใจของสัตว์ทั้งหลายนั้นมืดบอดเพราะเขาไม่เข้าใจจริงๆว่าไอสภาพของความพ้นทุกข์จริงๆ แบบที่สัตว์โลกกำลังเข้าใจและกำลังกระเสือกกระสนดิ้นรนเสือกก ร, ระเสือกกระสนหากันอยู่นั่นนะ่ะมันเป็นการพ้นทุกข์ที่ไม่ถูกต้องมันเป็นการพ้นทุกข์ที่ไม่ถูกต้องได้ไปนอนมันก็มีความสุขตื่นขึ้นมาก็กระเสือกกระสนไปตามอำนาจของกิเลส ท, ที่ประชมอยู่ในใจสัตว์นะั้นสัตว์เหล่านั้นก็กระเสือกกระสนในด้านของทํากายกรรมธรรมวิีกรรมธรรมโนกรรม ให้วิ่งไปตามทาวารทั้งหลายใช่ไหมลูกตามอายตนาทวาราามีจักขวาอายตนาโสตายาตนาเป็น ต, Normally, Hills, uda, bucks, ต้นก็เป็นปัจจัยเกิดสุจร okay, ิตบ so okay. ้างทุจริตบ้างที่เป็นไปกับการได้เห็นบางกลุ่มได้เห็นแล้วก็ทําสุจริตบ้างบางกลุ่มก็ทําทุจริตบ้างได้ยินก็ทําสุจลิตบ้างทุจริตบ้างได้กลิ่นก็สุจริตบ้างทุจริตบ้างริมรสก็สุจริตบ้างทุจริตบ้างสัมผัสเย็นร้อนก็สุจริตบ้างทุจริตบ้าง คิดนึกก็สุจริตบ้างทุทจรุิตบ้างแต่บรรดาสัตว์ที่ประกอบสุจริตและทุจริตทั้งหลายเหล่านั้นเน่ยเขาอยากพ้นทุกข์บุคคลที่บำเพ็ญบา ร, รมีเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านมีปัญญาไงท่านจึงรู้ว่าความพ้นทุกข์ของสัตว์อย่างแท้จริงนั้นคือการพ้นจากการเวียนว่ายใจเกิดพ้นจากการมีรูปขันเวทนาสัญญาสังขารวาิญญาณ พ้นจากวัตถุกรรมแล้วก็พ้นจากกิเลสกามใช่ไหมต้องสามารถเข้าไปสงบระงับสังขารเหล่านี้ได้จริงๆแล้วไม่ให้สังขารเหล่านี้กําเริบขึ้นก็คือเข้าถึงสภาพที่แท้จริงดาวูปะนิพพานแต่ในเมื่อสัตว์นั้นยังมืดบอดท่านต้องมีความคิดน่ะท่านก็สแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลวิธีการสแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลของท่านเนี่ยท่านเกิดมาในภพใดชาติใดท่านก็ระดมทานระกุศลระดมศีระกุศล หรือรดมทานเอารามีศีลบารมีท่านถึงตั้งอัธยาศัยบอกว่าถ้าใครรู้จักทานนากุศลอย่างที่ตถาคตรู้ที่จะไม่ให้ทานก่อนแล้วบริโภคเป็นไม่มีอันนี้แปลว่าอะไรสรุปก็คือว่าถ้าใครรู้จักทานบารมีศีลบารมีเนคขมภ์ปัญญาวิริยะขันติสัจญาทิ่ฐานเมตตาและเบขาบารมีถ้าใครรู้จกักบารมีเหล่านี้อย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้ บุคคลเหล่านั้นจักไม่ให้บา ร, รมีเดินในกระแสชีวิตก่อนแล้วจึงมาบริโภคเป็นต้นน่ยจักไม่มีฉะนั้นถ้ามองในมุมอย่างนี้จะเห็นอะไรจะเห็นว่าบุคคลที่มีความเข้าใจอย่างเพียบพร้อมในกระแสของชีวิตอย่างแท้จริงว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นแบบนี้ฉะนั้นท่านจึงสแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลด้วยการที่ทําให้สัตว์ทั้งหลายอนุเคราะห์หนึ่งสัตว์เหล่านั้นทําอย่างไรให้สัตว์เหล่านั้นได้อะไร ได้มีที่อยู่ได้เครื่องนุ่งหม่มได้อาหารได้ยาสัตว์ไม่มีที่อยู่ปรารถนาให้สัตว์มีที่อยู่สัตว์ไม่มีอาหารปรารถนาให้สัตว์มีอาหารสัตว์ไม่มีเครื่องนุ่งหม่มท่านก็ปรารถนาแสวงหาเครื่องนุ่งห่มให้เขาสัตว์เหล่านั้นไม่มียารักษาโรคท่านก็เสวงหาให้ท่านทำทำไมประโยชน์ตรงเนี้ยประโยชน์ในส่วนของทิฏฐธรรมิกทประโยชน์ท่านให้ทำอะไร แต่ผลที่ท่านต้องวางวางหรือระดมกระแสชีวิตของท่านในการระดมให้ขนาดนั้นด้วยและในขณนะดเดียวกันท่านก็พ่อคูนว่าท่านเหล่านั้นยังไม่มีศีลก็แนะนําให้ตั้งอยู่ในเบญจศีลให้มีการไม่ฆ่าไม่ลักไม่ประพฤติผิดในกาไม่พูดเทศศอเสียทําหยา บ, บแล้วก็เชื่อแล้วก็ไม่ดื่มสุรามีอะไรถามว่าท่านให้ทําไมท่านให้สัตว์เหล่านั้นได้รู้จักว่านิกุศลเป็นอย่างนี้อกุศลเป็นอย่างนี้ไม่ควรทําอย่างไร ถามว่าทําไมท่านต้องระดมทานกุศลเพราะท่านต้องปลูกอัธยาศัยให้สัตว์นั้นมีความรักมีความชื่นชมในอัตภาพหรือในกระแสชีวิตของท่านถ้าสัตว์เหล่านั้นไม่รักไม่ชื่นศบชมไม่ศรัทธานในกระแสชีวิตของพระโพธิสัตว์เมื่อท่านเหล่านั้นเป็นพระพุทธเจ้าหรือเมื่อพระโ พ, ะพธิสัตว์เหล่านั้นดําเนินกระแสชีวิตไปเป็นพุทธเจ้าและสัตว์เหล่านั้นจกมาศรัทธาได้อย่างนี้เห็นไหมว่าเราท่านทั้งหลายที่ได้เกิดมาเป็นพุทธบริษัทของพระผู้มีพระเจ้า ซึ่งไม่เคยรับทานนะกุศลเนี่ยไม่ได้รับการอนุเคราะห์จากพระโพธิสัตว์จากพุทธเจ้าไม่มีเลยนั้นในสังสารวัตรที่ผ่านมาเนี่ยพวกเรานี่แหละเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าเป็นบริษัทของพรุทธเจ้าในดีดด้วยและเคยถูกพระโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านอนุเคราะห์มาทุกอย่างแต่ด้วยอัตภาพของเราเมันผ่านมามันหลายกระหลายภพชาติเราเป็นคนลืมเนื้อลืมตัวนะเราจึงไม่เห็นคุณของพระโพธิสัตว์ สังเกตไหมพระมาเหสีของพระเจ้ามหาชนกที่ท่านเสด็จออกบวชนี่นะมหาชนกเสด็จออกบวชเนี่ยตอนที่พระนางตามไปทุกจุดเนี่ยในพระชาติที่เป็นวิริยะบรารมีเนี่ยตามไปทุกจุดที่หมายว่าในจุดไหนที่พระโพธิสัตว์เคยบอกพระธรรมทุกจุดบอกพระธรรมบอกว่าให้กลับไปเธออย่าตามมาท่านจากนนักบําเพ็ญเนคขมาบรบารมี ไม่ว่าจะเป็นจุดใดจุดใดเบ็ดเสร็จที่ที่พระนางได้พระธรรมจากพระโพธิสัตว์พระนางก็จะให้บุคคลหรือว่าขลัาชบริพารทั้งหลายสร้างเจดีย์ทองเพื่อบูชาได้ของหอมท่านยังเห็นคุณของพระโพธิสัตว์ว่ามีพระคุณอย่างมากไม่ต้องกล่าวไปใายว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ที่พระโพธิสัตว์เคยฉันอาหาร ด้วยการพิจารณาโดยไม่ลังเกียจอาหารที่สุนักนั้นคาบมาที่ที่พระโพธิสัตว์เคยบอกข้อมูลในการให้คิดว่าการอยู่คนเดียวเนี่ยบำเพ็ญเนกธรมนั้นประเสริฐกว่าการอยู่เป็นคู่อยู่อย่างคุกคีที่ที่ให้มุมปัญญาของพระนางพระนางก็ให้ขราชบริพารทั้งหลายสร้างเป็นเจดียด์ทองแล้วก็บูชาด้วยของหอมดอกไม้ อัธยาศัยที่บูชาพระโพธิสัตว์ยังมีสุขติเป็นไปในเบื้องหน้ายังเป็นปัจจัยแก่การพ้นทุกข์ได้เลยจะป่วยกล่าวไปใหญ่ในการที่เราจะตั้งศรัทธาให้เชื่อมั่นในคุณของพระพุทธเจ้าอย่างมั่นคงไม่ถอยหลังเลวนขนาดนั้นเป็นแค่พระโพธิสัตว์เนะถ้ามีจิตเลื่อมใสในพระโพธิสัตว์ยังเป็นปัจจัยแก่การพ้นจากชาติทุกข์ชราทุกข์พยาทิทุกข์และมรณะทุกข์ได้เลย ไม่ต้องพูดถึงที่เราไปมีสัจทินซีอย่างมั่นคงในพระจริยาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างยาวไกลหรือไปมีศรัทธาในสรีระคุณทั้งมหาพุริสรฆณนา32ประการและนุปยัญชนะ80และพระพุทธคุณมีพระสัพพัญยุตยานเป็นต้นใช่ไหมพระคุณของพระพุทธเจ้าในส่วนของทั้งโลกียะทั้งโลกุตละคุณเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธา ที่จะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อการพ้นจากวัฏทุกุกได้ทั้งนั้นถ้าท่านบู้นั้นตั้งตั้งศรัทธาได้จริงฉะนั้นการแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลเป็นผลปรากฏนะนั้นคืออาการที่เราจะเห็นพระบารมีปรากฏเด่นเด่นชัดขึ้นถ้าเห็นชัดจริงๆก็คือการเป็นพระพุทธเจ้าวันนี้เราได้เห็นพระพุทธเจ้าแล้วในฐานะแห่งพระธรรมที่กำลังดาเนินไปอยู่ เราเห็นต้นพระสีมหาโพธิ์เราเห็นรัตนบัลลังก์เราเห็นอ น, นิมิตติเจดีย์เป็นต้นเยะเมื่อรัตนจงกรมเจดีย์รัตนคราเจดีย์อัประอัปปะชาลานิโคดเป็นต้นตลอดถึงรัตนคราเจดีย์หรือสามุจจรินทั้งหลายซึ่งเป็นเจดีย์เห็นสถานที่แสดงพระธรรมจักรกับประวัตินซูสถานที่ทรงจำพรรษาสถานที่ทรงใช้สอยที่วัดเวรุวันวัดเชตวันตลอดถึง สถานที่ประสูตดแม้สถานที่เสด็จดับขันธปรินิพานและเห็นพระพุทธรูปเห็นพระบรมสารีริกธาตุนั้นคือพระพุทธเจ้าในฐานะแห่งท่านในฐานะแห่งพระธรรมที่กําลังประกาศพระธรรมพร่ำสอนพุทธบริษัทอยู่ถามนี้อะไรนี้คือความเป็นพระพุทธเจ้านี้ไงคือผลปรากฏแห่งพระบารมีสาสบทัศ ท, ที่ทรงบําเพ็ญมาอย่างยาวไกลซึ่งก็ประจักษ์ชัดแก่กระแสชีวิตของเราที่ได้เห็นกันอยู่ เมื่อเราได้เห็นอย่างนี้เบ็ดเสร็จแปลว่าผลปรากฏขึ้นมาแล้วใช่ไหมว่าผลของบา ร, รมีธรรมทั้งหลายฉะนั้นผลของบา ร, รมีธรรมทั้งหลายนะั้นน่ยมาจากความรู้ความเข้าใจนะถ้าท่านเจริญทานกุศลแต่ท่านขาดปัญญาท่านจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ถ้าท่านเจริญศีลบา ร, รมีแต่ท่านไม่มีปัญญาบา ร, รมีคอยกำกับท่านก็เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ ถ้าท่านจเจริญเนกข ม, มาบรบารมีวิริยะขันติสัจจะทิฏฐานเะมีตาและเบขาบา ร, รมีทุกบา ร, รมีนะถ้าไม่มีปัญญาเป็นปุเรจาริกนะไม่มีปัญญานำหน้านะการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ต้องสะดุดแล้วก็ต้องหยุดลงฉะนั้นในวันนี้เวลาเรามาสืบค้นความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยทีนี้การมีพระปัญญาบา ร, รมีถามมีอะไรเป็นตัวเกื้อหนุนมีพระมหากรุณาที่คุณเป็นเหตุใกล้ แล้วก็มีความฉลาดในอุบายแห่งกรุณาเป็นเหตุใกล้ด้วยใช่ไหมถ้าปัญญาของท่านแรงกรุณาอ่อนกรุณาไม่แข็งแรงไม่มีความสมดุลกันนความเป็นพระพุทธเจ้าก็หยุดท่านก็บรรลุไปใช่ไหมล่ะถามว่าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเนี่ยพระมหาการุณาไม่เท่าพระพุทธเจ้าสาวกของพระพุทธเจ้าการุณาก็ไม่เท่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นั่นแหละคือผลจากการเดินกรุณาไม่มีความสมดุลกับพระปัญญา